พระรัตนตรัยช่วยเราได้อย่างไรสำหรับปัญหาข้อนี้ถ้าคิดกันแต่เพียงด้านเดียวก็อาจจะเห็นเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าคิดกันให้ซึ้งอีกหน่อยก็จะมองเห็นชัดว่าพระรัตนตรัยหรือเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเราจะตัดออกจากชีวิตประจำวันไม่ได้เราเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองเราอยู่เสมอโดยไม่รู้สึกตัว พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธทรรมคําสั่งสอนและพระอริยาสาวกที่ประกาศคําสอนทั้งสามอย่างนี้เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างใกล้ชิดพระพุทธเจ้าถึงแม้จะป ร, ะรินิพพานไปนานแล้วไม่มีตัวตนปรากฏอยู่ในโลกนี้หรือในโลกไหนแต่ถึงกระนั้นความดีของพระพุทธองค์ที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้อันนี้แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองหรือดลบันดาล ให้เกิดผลตามที่ต้องการได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าและยึดถือเอาเป็นที่พึ่งจึงจะช่วยได้คําว่าเข้าถึงหมายความว่ารู้จักชีวิตของพระพุทธเจ้าจริงๆคือเข้าใจซึ้งในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเช่นเมื่อนึกถึงคําว่าอิติปิโสภะควาอารหังพระผู้มีพระภาคเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบวิชาเจรณาสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณาสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีโลกะวิทูนเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารติเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดา ข, ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุโทโธเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวทุกขณะจิตภัควาเป็นผู้จำแนกธรรมคนที่จะได้ผลจากการอธิษฐานหรือการอ้อนวอนจะต้องเป็นบุคคลที่ซึ้งในคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมานี้และที่ว่าซึ้งนั้นหมายความว่ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และมีศรัทธาภาษาธาอย่างมั่นคงและที่ว่าพระพุทธองค์จะทรงช่วยเราได้ ท, ท, ทั้งที่ไม่มีตัวตนปรากฏอยู่นี่หมายความว่าสำหรับคนที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์อย่างถูกต้องและอย่างเลึซ่ซมลึงนั้นศรัทธาภาษาธาของเขามีกำลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคมีกำลังใจที่จะประพฤติความดีและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทาให้วิบากของกุศล ผลิตผลออกมาได้รวดเร็วขึ้นและในบางกรณีก็อาจจะให้ผลในทันทีทันใดที่เราอาธิษฐานนั่นเองประเด็นหลังนี่แหละซึ่งบางคนเคยเห็นผลชัดมาแล้วเช่นตนเองเคยมีความคล้าคลาดจากอันตรายมาได้ยังกับปฏิหารหรือได้ผลตามที่ต้องการขึ้นมาทันทีอย่าลืมว่าปัจจัยสำคัญที่จะช่วยคุ้มครองหรือบรรดาลที่เกิดผลตามความต้องการนั้น คือวิบากของกุศลที่มีอยู่ในตัวเราการอธิษฐานหรือการอ้อนวอนสําหรับในบางกรณีนั้นจะเป็นเสมือนหนึ่งการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งในบางกรณีผู้ที่ล่วงลับไปนั้นพอได้ทราบว่ามีญาติพี่น้องอุทิศส่วนกุศลให้และอนุโมทนาผลก็ปรากฏขึ้นทันทีหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเปรียบได้กับว่าต้นไม้กําลังรอฝนอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วที่จะให้ผลยังขาดอยู่แต่เพียงน้ำที่จะให้ดินชุ่มชื้นทำให้ต้นไม้สดชื่นเท่านั้นฉะนั้นพอได้น้ำต้นไม้ก็งอกงามขึ้นมาเห็นได้ชัดและในไม่ช้าก็จะออกดอกออกผลการทำความดีจะเป็นสิ่งที่ต้องฝืนใจก็เฉพาะสำหรับคนที่วิบากของความดีที่สะสมเอาไว้ยังมีไม่มากพอเท่านั้น แต่สำหรับคนที่ทำมานานจนตัวเองเห็นผลของความดีและเกิดความเคยชินแล้วและชอบในการทำความดีแล้วสำหรับบุคคลประเภทนี้การทำความดีไม่ใช่เป็นการฝืนใจส่วนคนที่ไม่อยากจะทำความดีเพราะยังไม่ชินกับการกระทำความดีเช่นนั้นถ้าหากว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมาคอยให้กาลังใจเขาก็จะทาความดีอยู่ได้เรื่อยๆในทานองเดียวกันกับเด็ก เพราะอยากจะได้รางวัลจึงได้ขยันทำความดีและเชื่อฟังพ่อแม่เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เราอธิษฐานถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเราจะต้องนึกถึงด้วยความเลื่อมใสนั้นจึงเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้เราทำความดีและทำให้เรามีความมั่นใจในการกระทาอันนั้นงานมันจะยุ่งยากเหตุการณ์มันจะร้ายแรงสักเพียงไรก็ตามถ้าหากเรามีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีกำลังใจในการกระทำแล้วงานก็ต้องเป็นผลสำเร็จด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่าการอธิษฐานหรือการอ้อนวอนโดยอ้างถึงคุณพระรัตนตรัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีผลได้แต่อย่าลืมว่าต้องมีความเข้าใจและมีความเลื่อมใสในคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าและในบางกรณีเนื่องจากวิบากของกุศลกาลังจะให้ผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้น พอเราอธิษฐานก็เท่ากับไปช่วยเร่งรัดให้วิบากของกุศล น, นั้นผลิตผลเร็วขึ้นอันนี้หละคือเบื้องหลังของการอธิษฐานที่ทำให้บางคนเห็นผลทันตาแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอนุภาพของพระรัตนตรัยมีจริงในเรื่องธรรมคุณและสังฆคุณก็เหมือนกันเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจการอธิษฐานจึงจะมีผล สำหรับน้เรื่องพระราตนตรัยก็ได้จัดทำเป็นหนังสือไว้ต่างหากแล้ว